3.4 จุสเราได้พบธรรมะก็เท่ากับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดสิห้ามีนาคม2551ห้าอในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสบอวงเล็บปิดพวกเราชาวพุทธมีโอกาสดีที่ได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเจอพระพุทธเจ้านั่นแหละพวกเราตอนนี้เราได้เจอพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เราไม่เจอ ไม่ใช่ศาสดาของเราไปแล้วศาสดาของเราไม่มีไม่ใช่ชาพุธยังมีศาสดาอยู่ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่คือธรรมะนี่เองพวกเราได้พบธรรมะแล้วก็เท่ากับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมซึ่งท่านเคยพูดเคยผ่านปากของท่านออกมาธรรมะก็ของเก่านั่นเองพอเราฟังแล้วเราก็น้อมลงมาศึกษาปฏิบัตินะดูลงมาที่กายดูลงมาที่ใจดูจนเห็นความจริงว่ามันแค่เศษทุลีเท่านั้นเอง ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่คิดเลยนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาความทุกข์มีอยู่อย่างความทุกข์ในร่างกายอะไรต่างๆนี้มีอยู่แต่ไม่มีคนที่เป็นทุกข์มีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ที่เป็นทุกข์จิตใจมีแต่ความสุขล้วนๆเลยตอนนี้ค่อยฝึกเอานะ